ท่สาธารณมุสลิมบริษัทตา่างๆสาหรับวันนี้ก็ไปดิปราลบเรื่องมัตตากุณลีเทพบุตรสําหรับวันนี้นี่เป็นตอนจบเราพูดกันมาทั้งสี่ตอนแล้วในตอนที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นสําหรับไปก่อนปรากฏว่าท่านพราม ได้รับความกรุณาจากบุตรชายซึ่งเป็นเทว ด, ดาคือมัตตกุณลีที่ประุให้มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในประสงค์แล้วก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์รามรับคำาม่จะปฏิบัติตามนั้นหลังจากนั้นแล้วเทว ด, ดาผู้เป็นลูกชายก็หายไป ท่านพราหมกลับปมาถึงบ้านบอกกับพัญญาด้วยความดีใจว่ายายวันนี้มีโชคใหญ่ฉันไปร้องไห้ที่ประชาปราถนาจะเรียกลูกคืนมาแต่วันก่อนๆไม่เคยได้ลาบแต่ว่าวันนี้ลาบใหญ่เกิดขึ้นแล้วท่านยายก็ถามว่าลาบอะไรยายก็เลยบอกว่าวันนี้เก็พบลูกชายมาหาแก่สงวามปัตถนา นี่แกตั้งหน้าตั้งตาไปร้องไห้ปรารถนาจะได้ให้ลูกชายมาเกิดท่านยายก็ถามว่าลูกชายไปเกิดที่ไหนเกาเลยตอบว่าเวลานี้ลูกชายไปเกิดเป็นเทวดาท่านยายนั่งนิ่งบางทีอาจจะคิดว่าบางทีท่านตาอาจจะบ้าไปก็ได้ถ้าบังเอิญลูกชายเป็นเกิดเป็นเทวดาจริงๆแล้วก็ทำไมตาจะเห็นได้ เป็นอันว่าท่านตาก็เลยบังคับท่านยายหรือว่าสั่งท่านยายพอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยายพอเดี๋ยวฉันจะไปนิมนต์พระสมณโคดมกับบรรดาพระสงฆ์มาฉันที่บ้านขอยายช่วยจัดอาหารไม่ก็แล้วกันไอ้เรื่องอื่นเอาไว้พูดกันทีหลังที่เย็นเห็นยายนิ่งแล้วเชืู้ นึกรู้ในใจว่า ย, ยายเนี่ยเห็นว่าฉันสติสตังไม่ค่อยจะดีคิดว่าเรื่องการลูกชายเกิดเป็นเทวด า, า น, นี้เป็นเรื่องหลอกหลอนความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่แต่ต ว, ว่าประเดี๋ยวจะได้รู้กันขอท่านยายเตรียมหารมาทำไหบรรดาพระสงฆ์ประมาณห้าร้อยรูปมีพระสมณะโคดมเป็นประธานนี่ขอท่านหลายผู้รับฟังฟังแล้วก็คิด ว่าอทิอาทินักบปญระกับพระรามคนนี้แกใช้ศัพท์ว่าพระสมณะโคดมยังไม่มีการสแสดงความเคารพในองค์สมเด็จตัวสัมมาสัพพุทธเจา้าแกเชื่อลูกชายเหมือนกันแต่ยังว่าไม่ไว้ใจว่าองค์สมเด็จพระพู้ทมีพระพายเจ้าจะดีจริงพอที่แกที่จะเคารพฉะนั้นวาจาที่แกกล่าวไปยังเป็นการสแสดงวาจาที่ไม่เคารพ ขึ้นชื่อพระนามของพระองค์เป็นอนุวาเมื่อแกสั่งทิญยายคือพญายาแล้วแกก็ไปู่วิหารเมื่อเวลาไปถึงแกก็ไม่ยอมไหวแล้วก็ไม่ทำบริษัทฐานอะไรทั้งหมดตามพระบาลีทัไมอย่างนั้นไปถึงก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คำว่าที่คนส่วนข้างหนึ่งนี่ก็หมายความว่าที่ตรงไหนมันว่างแกก็ยืนตรงนั้นไม่ได้ยืนในความเคารพแล้วก็พูดกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยออกคำนามว่าพระสมณะโคโดมผู้เจริญขอพระองค์กับพระสงฆ์สาวกจงไปรับพระตาหารที่บ้านของข้าพเจ้า แล้วก็ไปเพื่อไปไปฉันในวันนี้ด้วยฟังคําของแก่ฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็คายครวญว่าเป็นอันว่าพราหมณ์คนนี้ไม่ได้สแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เลยแต่ถ้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าการที่พระองค์จะทรงโปรดใครก็มุ่งหมายเหตุเยื่อเพึงได้เป็นสําคัญ ทั้งทั้งที่พรามนี้ไม่ได้แสดงความเคารพ่นพระองค์พระองค์ก็ทรงรับเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงรับแล้วคำเมื่อเขาทราบว่าพระผู้มีพระพาาเจ้าทรงรับแล้วจึงได้กลับมาโดยเร็วใช้คนให้ตกแต่งคาธนิยะโภชนิยะหันโพชนิยะหารไว้รู้เรื่องไหมเนี่ย ขาธนิยะโคชนิยหาหันก็เรียกว่าอาหารนี่คนจะเคี้ยวคนจะดื่มคนจะฉันนั่นเองเป็นอันไวจัดอาหารไว้สำหรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าในเรือนของตนพร้อมบริโมพิสุสงเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าพร้อมบริโมพระพิสุสงหวดล้อมแล้ว เสสนเดชไปสู่เรือนของพราหมณ์นั้นแต่ความจริงการนิมนต์นี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกเราใครเข้ามานิมนต์แล้วไม่ต้องบอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนองค์สมเด็ชพระจอมไตรบริมศาสานดาไปถูกเสมอเมื่อทรงส่งไปถึงแล้วก็รประทับบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้พราหมณ์ถวายพระตาหารแล้วโดดเคารพขมิ้นเริ่มเคารพ ตอนก่อนนี้แกแสดงวาจาไม่เคารพแกจะเป็นคนใจแกจะเคารพหรือเปล่านี่ผมก็ไม่สราบเหมือนกันแต่วาจาและการที่แกแสดงออกแม้แต่ยกมือไหว้แกก็ไม่ไหวก็อะไรพระพรามคนนี้เป็นมิจฉาทิฐิเมื่อถวายประทารองค์สมเด็จพระพิชิตมารและเระสง่์ก็ทรงเสวยพระกญาหารในเวลานั้นบรรดามหาชนทั้งหลายไปชมกัน โดยคิดว่าเวลานี้พวกเราได้ยินข่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีฟรามผู้เป็นมิจฉาทิฐินิมนต์แล้วเังนั้นหมู่ชนยิงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นคณะศิษย์ของอาจารย์อื่น เรอชุมกันตั้งใจไปว่าวันนี้พวกเราจะไปคอยดูพระสมณโคดมที่ถูกรามพวกเป็นมิจฉาทิฏฐิถามเบียดเบียนให้มีความลำบากด้วยปัญหาที่มีความยากที่พระสมณโคดมจะคุณตอบได้นี่เขาตั้งใจไปดูที่ความเยอะเยอย สำหรับคนนีกพวกหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเคารพในองค์สมเด็จตัวสัมมาสัพพธเจ้าก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้เราจะไปคอยดูพระพุทธวีสัสคือพระพุทธลีลาขององค์สมเด็จตระสัมมาสัพทธเจ้าที่จะทรงสแสดงกับพรามที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอันว่าคนสองกลุ่มกองเชียร์สองกองมีคติไม่เสมอกัน กลุ่มหนึ่งเชียร์พราหมณ์อธินกะรปุปกการพรามอีกกลุ่มหนึ่งเชียร์พระพุทธเจ้าให้เข้ามาเชียร์เราเลยกันนะค<ฤ>วามจริงกลุ่มหลังนี่ไม่ใช่กลุ่มเชียร์มีความเคารพอยากจะไปดูพระพุทธลีลาและพระพุทธวิสัยว่าวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นย่อมไม่แพ้ต่อถ้อยคำของบุคคลใด <c oughs> เป็นอันว่าลําดับนั้นพราหมณ์เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จไปจอมไตรเมื่อพระองค์ทรง ชันพัตตาหารเสร็จแล้วเขานั่งในอาสนะที่ต่ำกว่าได้กราบทูลถามปัญหาว่าพระสมณะโคโดมผู้เจริญนี่แสดงถ้อยคำเขายังไม่เคารพยังยิ่งยิงอยู่ว่าพระสมณะโคโดมผู้เจริญขึ้นชื่อว่าคนที่ไม่เคยได้ถวายทานแก่พระองค์ ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษา โ, โบสดเลยแต่เอาสัยเพียงแต่ว่าเขามีความเลื่อมใสในพระองค์เรื่องกำลังจิตที่มีความเลื่อมใสเท่านั้นแล้วเขาได้เกิดบนสวรรค์มีอยู่หรือนี่เป็นคำแรกที่พระามถามองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านนั้นหลายฟังแล้วก็จําจําแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามเวลานั้นแม้ถ้าว่าตามบัลลีนะว่าเป้าสน่อยถ้าเป็นนักเทศเขาก็ไหวงี้ตั้งสุตวามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดชสุนทรัชดแล้วสมเด็จพระผููมีพระภาคพระเที๊บแก้วจึงได้ทรงตรัสตามว่าพระมณะดูก่รกรามเหตุใดท่านยังมาถามเรา ก็าการอย่างนี้ความที่ตนทาให้เลื่อมใสแล้วเกิดในสวรรค์หรือว่าคนที่มีความเลื่อมใสกันในเราจะเพราะจิตเท่านั้นมือก็ไม่เคยไหวแล้วก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์บุคคลนั้นมีนามว่ามัตจกุนเลีซึ่งเป็นบุตรชายคนงเธอเองเธอพบแล้วไม่ใช่หรือนี่โดนพระพุทธเจ้าย้อนรอย เป็นอันว่าพรามฟังองสมเด็จพระผู้มีพระ้าเจ้าถามย้อนวันดังนั้นเขายังไม่ยอมแพ้เขาถามว่าพระสมณะโคโดมผู้เจริญที่ดันบอกว่าคนที่มีความเลื่อมใสในท่านโดยเฉพาะน้ำใจเท่านั้น <c oughs> แม้แต่มือไหว้ฟังเทศก็ไม่มีที่มีนามว่าแม่กุณเดลีซึ่งเป็นบุตรของข้าพระพุทธเจา้า อยากจะถามว่าข้าพเจ้ากระบุข้าพเจ้านะ่ะพบ ก, กันมา่อไรนี่ทางอย่างนี้นะถ้ามีใครมาเขา้ามาถามผมเข้ามาไรเพราะว่าเจงมานั่นนะ่ะเื่อผมรับรองจริงๆผมรับรองว่าเจงในลีลาแบบนี้นี่ผมไม่เอาดี่ผมไม่เอาไม่ใช่ผมรู้แล้วก็ผมจะไม่ตอบเขาไม่เชิงัน เลือกผู้ท่านหลายฟังผมสอนแนละ้วก็อย่าไปนึกว่าผมนะ่ะเป็นผู้วิเศษเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าถามอย่างนี้เมื่อารายผมพังมานันนะผมไม่รู้นี่ใครจะไปถามเขานะเป็นนันวาแต่ว่าทว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมแพ้เพราะว่าท่านรู้จริงท่านยิงน่งแตถามว่าพรามมณนะดูก่อนรามก็ในวันนี้นะ่ะเธอไปที่บัญชา เธอไปยืนร้องไห้ข้าครวนอยู่ในป่าชาพระราชนัจะให้ลูกชายของเธอที่เธอตายไปแล้วกลับมาแล้วเธอได้เห็นมานกคนหนึ่งยืนกอดแขนข้าครวนอยู่ในเวทีไม่ไกลกันนั่นใช่ไหมแล้วเขาถามว่าข้าพเจาข้าพเจประธานอภัยตามบาลินบอกถามว่าแล้วว่าเธอได้ถามว่าท่านตกแต่งแล้ว ต้แต่งร่างกายแล้วเหมือนมันตตตกุนตลีมีภาระคือระเบียบ ด, ดอกไม้มีตัวหอมฟุ้งบระจจันเหลืองนี่พระพุทธเจ้าฉันเอาถ้อยคำของพรามที่ถามถามมัตต์ตกุนตลีเทพบุตรเอามาพูดกับพรามอีกทีเมื่อฉันถามดังนี้กับเทพบุตรคนนั้นใช่ไหม เมื่อจะทรงประกอบพระเดชธคําคที่ชนทางสองกล่าวกันก็ได้ทรงตัดเรื่องที่มัตตะกุณฑลีเทพบุตรกบพราหมณ์พูดกันทั้งหมดใครพูดว่ายังไงพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นหมดเพราะฉะนั้นเรื่องมัตตะกุณฑลีเทพบุตรสินธวารีธนว่ายิงชื่อว่าเป็นพุทธภาษิตหมายความว่าเรื่องนี้รับรองว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัดเอง พันเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเล่าเรื่องราวของพระเดกุณฑลีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก่จึงได้ถามพระามว่าพรามะมณฑูก่อนพราหม์ที่ฉันพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันใช่ไหมหรือว่าใช่เดืว่าความจริงน่ะคนที่เรื่มใสในเราด้วยใจอย่างเดียวมือก็ไม่ได้ไหวทานก็ไม่ได้ให เท่ก็ไม่ได้ฟังสี้ก็ไม่ได้รักษาแต่จิตใจของเขามีความเรื่อมใสในเราพระองค์เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกไม่ท่านเลยสำทับไปเลยแล้วการที่จะได้เกิดเป็นสวนรรค์เพราะเหตุนี้ไม่ใช่ว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านนับเป็นจานวนโกรธที่เขาเพียงแต่เพียงได้ยินชื่อของเราแล้วก็มีความเรื่มใส เอาใจจับเราเป็นสนับเป็นที่พึ่งอย่างนี้ตายจากคนแล้วเป็นเทวดานับไม่ถ้วนเป็นนั้นว่าบรรดามาหาชนทั่งหลายที่ฟังอยู่ยังไม่หมดความสงสัย <c oughs> แต่ว่าพราหมณ์จะหมดความสงสัยได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สําคัญองสมเด็จพระทรงทันไม่ได้พึงแต่ทนจะให้มีผลแต่เฉพาะพราหมณ์สองคนผัวเมียเท่านั้น เวลานั้นองค์สมเด็จพระพกวันต้องการจะให้พระธรรมเทศนานี้มีประโยชน์แก่คนทั้งหมดฉะนั้นสมเด็จองค์สมเด็จว่าบรมาสุโคจึงทรงตรัส ต, ต, ตามลำดับว่าตามมาลีเช่นว่าอย่างไรพระสาวเสนดาทรงทราบที่บรรดามหาชนนนหลายยังไม่สิ่งความสงสัยจึงเล่ยทรงอธิฐานว่าขอมัตต์ุณลีเทพบุตร จงมาพร้อมด้วยมีมันของเธอในที่นี้เวลานี้เอาเขแล้วนี่ผมบอกแล้วไงละว่าใเขาก็ถามผมอย่างนี้ผมพังนี่พระพุทธเจ้าทำไมพังแล้วท่านเชิญม่ได้คุณดลีเทพปรุตรมาพร้อมทั้งมีมานในขนาดเดียวกันนั่นเองมาองค์สมเด็จพระพิชิตามาทรงดำริเท่านั้นม่ได้กุณดลีเทพประมุตรพร้อมไปด้วยมีมันก็ปรากฏในที่นั้น ตามพระบาลีเท้ากล่าวว่าเธอมีอัตภาพประดับแล้วด้วยเครื่องอาพอรอันเป็นทิพสูงประมาณ300 ส, สามร้อยเซนสามคาวุธิหนึ่งขาวุธหนึ่งเท่ากับเท่าร้อยเซนมาปรากฏไปที่นั้นแล้วเธอจึงได้ลงจากวิมาน <c oughs> ถาวาไว้บคมของสมเด็จพระวิชิตธรมานแล้วยืนอยู่ในดีควรส่วนข้างหนึ่ง ระดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระาพยายเจ้าจึงได้ทรงตรัสถามเธอว่ามาแต่กุณฑลีเธอทำกรรมอะไรจรึงได้สมบัติมากมายถึงเพียงนี้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์หญ่ท่านกล่าวเป็นคาถาตอนนี้สะฝูเป็นคาถาว่าถ้าความจริงไม่อ่านคาถาก็ได้นี่จะถามว่าไม่มีบาลีจริง <c oughs> ไดความจริงของยืนยันอีกครั้งหนึ่งตามคะถาท่บว่าเทวดาท่านมีสีกายงามยิ่งนักที่เป็นท้อยคำโอ้สมเด็จพ็ะ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าตรามยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างอยู่หมายความว่าที่เขายืนสว่างสวาสวยทั่วบริเวณเหมือนกับดาวประจำรุง่งเทวดาผู้มีอนุภาพมาก เราขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทําบุญอะไรไว้เมื่อได้กุณฑลีเทพบุตรที่กราบพูนองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพัน์เตะพระกวะข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เที่ยวค่ะสมบัติท่านหลายดํานี้ข้าพระองค์ได้มาแล้วเพราะมีจิตเรื่อมใสในพระองค์ สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าจึงในถามต่อไปว่าสมบัตินี้เธอได้แล้วเพราะจิตเรื่มใสในเราอย่างนั้นหรือท่านมัณฑกุณฑลีเทพบุตรก็การกาบทูลว่าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าข่บรรดามาหาชนนั้นหลายแลดูเทพปบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแน่โพกเราเฮ้ยแน่พ่อเฮ้ยเสมออย่ญญ า, นะางนั้นนะธรรมสาบาลี พระพุทธคุนนี้นา่าสัจจรนยหนอบทคองพรางชื่อว่าอาตินา ก, ก, กาอุปปกะไม่ได้ทำบุญอะไรสักอย่างหนึ่งบุญอะไรอะไรก็ไม่เคยทำเพราะพ่อเป็นคนเลวนี่บรรดาประชาชนเล่นเขาแล้วยังทำใจให้เรื่มใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดา์สนดแล้วตายแจความเป็นคนได้ที่ประสมบัติเพงเพียงนี้ นี่เป็นอันว่าคนนั้นหลายเขาเห็นเทวดาด้วยเหย็นมีมายของเทวดาด้วยเหย็นนางฟ้าที่เป็นบริวารของเทวดาด้ว ย, ล ย, ววยเลยช่วยคนนั้นหลายอย่างเหล่านั้นอยากเป็นเทวดาบ้างเพราะว่าเป็นคนนี่มีเมียคนนึงก็ยังดีทะเลาะกันกืบแย่ถ้ามีสองคนสามคนแล้วก็พังมัาข้าวมาปลาแตกหมด แต่ถ้าว่าเทวดาวนี่มีบริวารที่เป็นนางฟ้าทั้งพันคนนี่เขาไม่ได้ทะเลาะกันเลยหน้าตาเขายิ่นเยยมแจ่มใสจริงๆตตามพระบาลีกล่าวว่าในดำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระพ่าจา้าวแต่จะมหาชนน์หลายเหล่านั้นว่าการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศล มีอยู่ที่ใจเป็นสำคัญคือมีใจเป็นหุ่นหน้ามีใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจทํใจทาด้วยใจอันป่องใสแล้วย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษย์สวรรค์หลุดยัเงเงานั้นทางนั้นหมายความว่าอารมณ์ที่เราผ่องใสแท้เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นต้องตามเราไปสู่ในเทวโลกล้วย ถึงว่ามาเป็นมนุษย์กรรมที่เป็นกุศลนันก็ตามมาไม่เหงาตามตัวนี่คงขอขอใช้สัตว์เป็นภาษาไทยให้ชัดพระภาษาวลีทั้งว่าแล้วฟังมัก็รู้เรื่องขั้นทรงจัดเรื่องนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วผู้เป็นธรรมราชาได้ทรงจัดบัตรคาถาสิบอนุสันติดุจประทับปราราชสัน ซึ่งมีที่ดินประจำเมลแล้วด้วยพระราชลัญจราก่อนพระราชพระราชลัญจราก่อนว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้ใจถ้าบุคคลใดมีใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ดีจะทำก็ดีความสุขย่อมเป็นไปตามนั้นประเหตุนั้น คำนั้นจึงมีสภาพเหมือนกับเงาประจำตัวคิดติดตามตัวไปในตอนนี้ถึงกล่าวว่าเม่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรทมัยาศาสนาสมม า, ส ม, า, าสมุทรเจ้าทรงประกาศพระคาถานี้จบความตัดสรุธธรรมได้มีแล้วกเหล่าสัตว์แปดหมื่นสี่พันสำหรับท่านมัตเตุคลีเทพบุตรก็ตั้งอยู่ในประโสดาปฏิผลให้จาให้ดีนะ ว่าเทวดาก็ฟังเทศได้เทว ด, ดกาก็บรรลุมรรคผลได้ที่พระท่านหลายบอกว่าเทวดาทําบุญไม่ได้แล้วพระผู้นั้นผมว่าเป็นพระเปรตมากกว่าข้าพูดกันตรงๆพระพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างนี้เสมอแต่พระยังแย่เทศกัว่าคนที่ตายไปแลป้วเป็นเทวดาทําบุญต่อไม่ได้แต่มาเกิดเป็นคนทําบุญต่อนั่นะไม่ใช่ การมาเกิดเป็นคนบัญทีก็มาเร่งรัดบารมีบางส่วนเท่านั้นเพราะเทวดามีความสบายมากเ่ากล่าวต่อไปว่านอกจากมัตต่กุณทลีเทพบุตรกับมดาเวชาชนนัหลายแปดหมืนสี่พันแล้วสำหรับอัธนกกากะปุพกบกรฟร์มก็ได้บรรลุโพโสดาบันเหมือนกันแล้วทำไมถ้าไม่กล่าวถึงเมียก็เมียก็หายไปไหน น่ากลัวเมียจะไม่ได้ฟังเทศอยู่ด้วยหรือว่าฟังเทศหมดใจโ ม, จมไปรักลูกชายมากเกินไปจึงไม่ได้บำมีลงไว้ในทีน่นี้ถ้าตามท่าบาลีท่านกล่าวไว้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ความจริงเรื่องจบจริงๆตอนนี้ก็ขอมันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงฟังเรื่องมาแต่กุณดาลีแล้วฟังแล้วก็จงจําจําแล้วก็จงคิด คิดเห็นแล้วจงปฏิบัติตามทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพวกเราทั้งหลายที่ตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานปกติเราก็เจริญพุทธานุสติกรรมฐานเป็นปกติฉะนั้นท่านที่ตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐานที่นี่มาเพื่อการศึกษาศึกษาแล้วกลับไปที่อยู่ของท่าน น้อมนำจำเรื่องราวของมัแต่คุณดลีที่ประวุตไว้ว่าเขาไม่เคยทำความดีอะไรมาเลยในการก่อนเพราะว่าพ่อและแม่ไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินวร์แต่ว่าเวลาใกล้จะตายแม้แต่มือยกมือไหวเขาก็ยกไม่ขึ้นเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทำความให้เลื่อมใสอย่างเดียวท่านก็เกิดเป็นเทวดา ในคนที่เจริญ พ, พ, พุทธานุสติกรรมฐานย่อมไม่พ้นพระพุทธเจ้าจะเกิดชาติใดก็ตาม ท, ทีจะไม่มีอารมณ์เป็นมิจฉาทิฏฐิเจนั้นในฐานะท่านเป็นเทวดาลแล้วมาฟังพระธรรมเทศ น, นาขององค์สมเด็จพระจิณณสีเป็นวาระที่สองก็ไดาส้สําเร็จพระโสดาปดันทิพผลเจนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนพิสุสมณเณรุบาสุกุบารชิกา ที่ตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐานจำไว้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วไม่ความว่าเท่าดดีกว่านี้ไม่ได้จำลีลานี้ไว้กลับไปไปเจริญพุทธานุสติกรรมฐานให้เป็นปกติเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโอย่าปล่อยอารมณ์นี้ให้ว่างจากจิต ในกรรมใดทําใดที่องค์สมเด็จประธรรมสามิตรกล่าวว่าเป็นธรรมที่เป็นกุศลบญกิริยาวัตถุคือหนึ่งทานนัยบุญสําเร็จการบริจาคทานให้ทานไว้เสมอสองศีลนัยบุญสําเร็จการรักษาศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์สามภาวนาไม่บุญสําเร็จการภาวนาก็คือภาวนาว่าพุทโธ หากว่าท่านทำได้อย่างนี้ครบทั้งสามรายการอา น, นิสงส์กุลบุญญราศีที่ท่านจะเพลนได้ก็มากมาย ก, กว่ามัตตุณนาลีมัตตกุณนาลีเทพประบุจะเพลนได้หลายแสนเท่าสําสำหรับวันนี้ขอท่านหลายฟังเรื่องราวของมัตตกุณนลีเทพบุตรเรื่องนี้ก็ขอยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี